จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆุท่ททานวันนี้เป็นวันเสาร์ที่หนึ่งม ก, ก ร, ราคมพุทธศักราชส5 5 4เป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่สาธุชนพุทธบริษัท ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเริ่มต้นชีวิตในปีใหม่นี้ให้ดีให้เจริญให้สุขการที่เราจะสุขหรือเจริญจะทุกข์หรือจะเสื่อมนั้นไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่การกระทำของเราดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในหลักของกรรมว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมว่าอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นชีวิตของเราก็ขึ้นอยู่ที่กรรมคือการกระทาของเราในแต่ละวันเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ไปการกระทาของเราถ้าทาดีเราก็จะได้รับความสุขความเจริญ ถ้าเราทำไม่ดีเราก็จะได้รับความทุกข์ความเสื่อมเสียนี่ไม่ใช่เป็นใครที่จะให้ความสุขหรือความทุกข์แก่เราไม่มีใครจะให้ความเจริญหรือความเสื่อมแก่เรานอกจากตัวของเราเองการให้พรอย่างพระให้พรให้ญาติโยมมีความเจริญด้วยอายุวันณัสุขกัละ นี้เป็นเพียงการแสดงความปรารถนาดีคืออยากจะให้ญาติโยมมีความสุขความเจริญแต่ความอยากการอวยพร น, นี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้ญาติโยมหรือผู้รับพร น, นี้เจริญรุ่งเรืองมีความสุขถ้าไม่ทำความดีถ้ารับพรไปแล้วแต่กลับไปทำบาป อย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะมีความสุขมีความเจริญได้ในทางตวงกันข้ามถึงแม้จะไม่ได้รับพรแต่ถ้าทำความดีก็จะได้รับความสุขความเจริญเพราะความสุขความเจริญของเรานี้อยู่ที่การกระทาของเราทางกายทางวาจาและทางใจคือความคิดต่างๆ ถ้าเราคิดดีเราก็จะพูดดีทำดีความสุขความเจริญก็จะตามมาถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีความทุกข์และความเสื่อมเสียต่างๆก็จะตามมาอยู่ที่ตัวเราพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัตตาหิตอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตน ส่วนพระรัตนตรัยที่เป็นสระณะนี้เป็นสระณะในในฐานะผู้ชี้ทางผู้ให้แสงสว่างเช่นถ้าเราอยู่ในที่มืดถ้าเราไม่มีแสงสว่างเราก็จะไม่เห็นว่าข้างหน้าและข้างหลังหรือรอบข้างเรานี้มีอะไรอยู่บ้างมีอะไรที่เป็นอันตรายกับเราหรือไม่เราจะไม่รู้ แต่พอเรามีแสงสว่างเราก็จะเห็นทันทีว่ามีภัยหรือมีอะไรหรือไม่ฉันใดพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นเพียงแสงสว่างคือเป็นผู้ชี้บอกเราให้รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์แล้วอยู่ที่พวกเรา จะปฏิบัติอย่างไรกับความรู้ที่เราเห็นเช่นถ้าเราอยู่ในที่มืดพอเราเปิดไฟเห็นเห็นงูอยู่ข้างหน้าเราเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องเดินหนีจากงูนั้นไปฉันใดพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าการทำบาปนี้เป็นอันตรายต่อความสุขและความเจริญของเราถ้าเราไม่อยากจะเสียความสุขเสียความเจริญ ไม่อยากที่จะพบกับความทุกข์กับความหายนะเราก็ต้องไม่ไปทำบาปเหมือนกับเราต้องไม่ไปเดินเข้าไปหางูพิษเพราะถ้าเดินเข้าไปหางูพิษก็จะถูกงูพิษกัดตายได้ฉันใดถ้าเราไปทำบาปหรือไปเสพอ บ, บายามุขต่างๆเราก็จะต้องมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเสื่อมเสียตามมา ดังนั้นชีวิตของเรานี้เป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้าเราปลูกต้นไม้ดีมันทานุบำรุงดูแลรักษาคอยกําจัดวัชพืชหรือมแมลงสัตว์ต่างๆที่จะมากัดกินต้นไม้ของเราต่อไปไม่นานต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตแล้วก็จะออกดอกออกผลให้กับเรา ชีวิตของเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้หรือถ้าเราได้ปลูกต้นไม้ไว้แล้วเราก็ต้องทำนุบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ที่เราปลูกไว้ต่อไปต้นไม้ในที่นี้ก็หมายถึงการทำความดี <c oughs> เช่นบุญกุศลต่างๆส่วนพวกวัชพืชหรือพวกมแมลงสัตว์ต่างๆนี้ ก็เป็นเหมือนกับบาปและอาบายมุกต่างๆที่จะมากัดกร่อนทำลายต้นไม้ทำลายความดีที่จะสร้างความสุขความเจริญให้กับเราดังนั้นถ้าเราไม่มีความพอใจกับชีวิตของเราที่ผ่านมาเช่นปีที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าชีวิตของเราไม่ค่อยดีขึ้นเราก็ต้องมา กำจัดสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราไม่ดีและก็พยายามทำนุกบำรุงต้นไม้ของเราคือความดีด้วยการทำความดีให้มีเพิ่มมากขึ้นวัชพืชที่จะมาคอยทำลายความดีก็คืออบายามุกต่างๆถ้าเรากำจัดอบายามุกจากชีวิตของเราได้ชีวิตของเราจะรับรองว่าดีขึ้นอย่างแน่นอนถ้า ปีที่แล้วเรายัางดื่มสุราอยู่ปีนี้เรามาเลิกดื่มสุรากันถ้าเรายังเล่นการพนันอยู่เรามาเลิกเล่นการพนันกันถ้าเรายังชอบเที่ยวกลางคืนอยู่ก็ขอให้เรามาเลิกเที่ยวกลางคืนกันถ้าเรายังมีความเกลียดคร้านก็ขอให้เราเลิกความเกลียดคร้านถ้าเราเลิกสิ่งเหล่า น, นี้ได้รับรองได้ว่า ความสุขและความเจริญจะมีมากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะมาทำลายความดีที่เรากาลังที่เราได้ทำกันมาและจะทำต่อไปความดีนั้นก็คือบุญนี้เองบุญก็คือการกระทำที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นและกับตัวเรา เช่นวันนี้เรามาทําบุญด้วยการเอากับข้าวกับปลาอาหารของข้าวของหวานต่างๆมาถวายพระก็ทำให้พระได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ญาติโยมนํามาถวายญาติโยมก็ได้รับประโยชน์ทางด้านจิตใจเหมือนกับต้นไม้ได้รับน้ำได้รับปุ๋ยทำให้จิตใจมีความสดชื่นมีความสุข มีความอิ่มมีความพอนี่คือเรื่องของการทำความดีทำความดีนี้สามารถทำได้กับทุกๆคนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ทำได้ถ้าเรามีความการุณามีความสงสารเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเนือดร้อนเราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็ ควรที่จะช่วยเหลือเขาไปแล้วจะทําให้ใจของเรานี้มีความสุขมากขึ้นจะทําให้เรามีความเจริญมากขึ้นการกระทําความดีนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญสิ่งที่จําเป็นต่อการเจริญก้าวหน้าของชีวิตเราและการกําจัดเนื้อลดละการกระทําบาป และอบายยมุกต่างๆก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จาเป็นต้องทำเช่นเดียวกันเพราะไม่ฉช่นนั้นแล้วการกระทำบาปและการเสพอบายยมุกจะฉุดลากเราให้ตกต่ำเราจะไม่ได้ไปสู่ที่สุขและที่เจริญที่เราปรารถนากันแต่เราต้องเข้าใจด้วยว่า ความสุขและความเจริญที่ได้จากการทำความดีนี้เป็นอะไรคือความสุขภายในใจของเราและความเจริญภายในใจของเราเพราะใจของเรานีจะเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติไปตามการทำความดีของเราถ้าเราทำความดีใจของเราก็จะพัฒนาขึ้นไปจากการเป็นมนุษย์ให้ไปเป็นเทวดา ให้ไปเป็นพรมให้เป็นพระอริยเจ้าให้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่การกระทำความดีต่างๆของเรานี่คือความเจริญและความสุขก็คือความสุขที่มีอยู่ภายในใจเราผลของการทำความดีนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรวยมากขึ้นมีตาแหน่งที่สูงขึ้น มีคนยกย่องสรรเสริญเยินยอเรามากขึ้นเพราะนี่ไม่ใช่เป็นผลที่แท้จริงของการทำความดีอาจจะเป็นผลพลอยได้คือถ้าผู้อื่นเขาเห็นเราทําความดีเขาอาจจะสนับสนุนเราเช่นถวายเงินถวายทองให้แก่พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อจะได้นำเอาไปทําประโยชน์ต่อไป แต่ก็อาจจะไม่มีใครรู้จักว่าเราได้ทำความดีก็ได้ก็อาจจะไม่มีใครสนับสนุนยกย่องหรือให้ให้รางวัลกับเราดังนั้นเวลาที่เราทำความดีไปแล้วถ้าเราไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นก็อย่าไปคิดว่าเราไม่ได้รับผลจากการกระทำความดี ความดีนั้นอยู่ที่ใจผลของการทำความดีนี่อยู่ที่ใจก็คือความสุขใจถ้าเราทำแล้วมีความสุขใจมากขึ้นมีสวามสบายใจมากขึ้นมีความสงบมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงมีความว้าวุ่นขุ่นมัวน้อยลงมีความมีความกังวลน้อยลงอย่างนี้เรียกว่าเรากำลัง ได้รับผลที่เกิดจากการทำความดีเพราะไม่มีผลอะไรที่จะสำคัญเท่ากับผลที่เกิดขึ้นภายในใจของเราเพราะว่าผลภายนอกนี้จะไม่มีความสามารถที่จะมาทำให้เกิดผลภายในได้เช่นเราอาจจะรวยมากขึ้นมีตำแหน่งสูงขึ้นแต่เราก็ยังอาจจะมีความทุกข์อยู่เหมือนเดิม หรืออาจจะมีมากขึ้นมีความเดือดร้อนใจมากขึ้นมีความไม่สบายใจมากขึ้นได้เพราะว่าความสุขหรือความทุกข์ของใจนี้ไม่ได้อยู่กับการได้หรือการเสียสิ่งต่างๆไปแต่อยู่ที่ว่าใจได้ทําความดีหรือทําบาปเท่านั้นนะดังนั้นขอให้เราจงดูผลที่ใจของเรา และขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าพวกเรานี้หลังจากที่ตายไปแล้วเรายังต้องไปเกิดใหม่อีก่วนที่ตายไปนี้คือร่างกายของเราร่างกายนี้ไม่ไปเกิดใหม่อย่างแน่นอนร่างกายนี้ต้องกลายเป็นซากศพและเมื่อเอาไปเผาไฟก็จะกลายเป็นขี่เท่าขี้ฐานไปแต่ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ตายก็คือ ใจของเราใจคืออะไรใจก็คือผู้รู้สึกนึกคิดนี้เองผู้ที่กำลังฟังอยู่นี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่กำลังรับรู้เสียงอยู่นี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่รับรู้เสียงผู้ที่กำลังฟังเสียงนี้อยู่นี้คือใจผู้ที่กำลังคิดผู้ที่กำลังจะพูดหรือกำลังจะทำอะไรนี้ก็ไม่ใช่ร่างกาย เป็นใจใจต้องคิดก่อนต้องสั่งก่อนถึงจะพูดได้ถึงจะทำได้ใจตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่ไม่ตายไใจตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่จเจริญหรือเสือ่อมถ้าทำบุญทำความดีใจก็จ ะ, จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆจะเกิดในพพชาติที่ดีพบชาติที่มีความสุขมากกว่าความทุกง แต่ถ้าไทยไม่ได้ทำความดีทำแต่บาปใจก็จะเสื่อมลงไปและเมื่อตายไปก็ต้องไปเกิดในภพชาติที่ไม่ดีเช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปตกนรกนี่เป็นผลที่เกิดจากการทำบาปคือการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดและเสพอบายามุขต่างๆเช่นสุรายามา ถ้าทำอย่างนี้แล้วใจก็จะค่อยๆเสื่อมลงไปเรื่อยๆต่าลงไปเรื่อยๆพอตายไปก็จะต้องไปเกิดตามสถานะของตนเองนี่เป็นสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นกันเพราะใจนี้เป็นเหมือนกับกระแสวิทยุโทรศัพท์เรามองไม่เห็นกระแสวิทยุโทรศัพท์แต่เรารู้ว่ามีอยู่ เพราะถ้าไม่มีเวลาเราโทรศัพท์เราก็จะไม่สามารถโทรออกได้หรือโทรเข้าได้ฉันใดใจของเราก็เป็นอย่างนี้ถ้าพวกเราไม่มีใจอยู่ในขณะนี้ร่างกายของเราก็จะต้องกลายเป็นซากศพไปคนที่ตายไปแล้วนี้ไม่มีใจอยู่แล้วเหลือแต่เพียงร่างกายเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว เราจะไปทําอะไรกับร่างกายนี้ก็ไม่มีใครจะไปทําอะไรกับร่างกายของเรานี้เราก็จะไม่รู้เขาจะเอาเข็มมาทิ่มมาแทงเขาจะเอาเข้าไปเผาในกองไฟกองฟืนเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้อยู่กับร่างกายนี้แล้วเราไปแล้วไปตามบุญตามกรรมที่เราทําเอาไว้ดังนั้น จึงขอให้พวกเราจงมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านี้เป็นคนที่ไม่พูดปดเป็นคนที่ไม่พูดโกหกหลอกลวงผู้ใดเพราะพระพุทธเจ้ามีจิตใจที่บริสุทธิ์คือไม่มีความโลภความอยากได้อะไรจากใครใจของพระพุทธเจ้านี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุข เหมือนน้ำที่ลดแก้วเติมน้ำจนล้นแก้วไปแล้วต่อให้เติมน้ำเข้าไปอีกมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถทําให้มีน้ำมากไปกว่าเดิมได้ฉันใดใจของพระพุทธเจ้านี้ก็มีความสุขมีความอิ่มเต็มที่อยู่แล้วต่อให้ทำอะไรต่อให้ได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็จะไม่ได้ทําให้ความสุข มีเพิ่มมากขึ้นหรือมีความอิ่มมากขึ้นดังนั้นถ้าพระพุทธเจ้าจะไม่ทำอะไรเช่นไม่พูดไม่สั่งไม่สอนพวกเราเลยท่านก็ไม่ขาดทุนท่านก็ยังมีความสุขมีความอิ่มเต็มที่เหมือนเดิมแต่เนื่องจากท่านมีความกรุณาคือความสงสารท่านเห็นว่าพวกเรานี้ยังเป็นใจที่ยังขาดความสุขอยู่ และไม่รู้วิธีที่จะเติมความสุขให้แก่ใจของตนเองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงสั่งสอนพวกเราจะไม่มีโอกาสที่จะเติมความสุขได้เต็มที่และจะไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากการต้องไปเกิดในอบายไปตกทรกหรือไปเกิดเป็นเดรัจฉานด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสละ เวลาของพระ อ, องค์ตลอดที่เหลืยวอยู่45ปีด้วยกันสั่งสอนเรื่องของกฎแห่งกรรมนี้สั่งสอนเรื่องใจนี้เพื่อให้สัตว์โลกได้มีแสงสว่างมีทางที่จะพาให้ตนเองนั้นได้ไปสู่ความสุขและความเจริญที่แท้จริง และหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างรที่พวกเราทั้งหลายยังกำลังประสบกันอยู่ทุกวันนี้มีใครพูดได้ั้ยว่าไม่มีความทุกข์ใจเลยมีแต่ความสุขอยู่อย่างเดียวไม่มีใครแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินก็ยังมีความทุกข์ใจแม้แต่นายกรัฐมนตรีก็มีความทุกข์ใจ มหาเศรษฐีก็มีความทุกข์ใจบุตุชนธ ร, รมดาอย่างพวกเราก็ยังมีความทุกข์ใจกันอยู่เพราะว่าเรายังไม่มีแสงสว่างภายในใจของเราเรายังเดินไปเหยียบ ง, งูอยู่เรื่อยๆถูกงูกัดอยู่เรื่อยๆความทุกข์ใจของเรานี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการถูกงูกัดนี่เองเพราะว่าเรายังตาบอด ตาในของเรายัางไม่สว่างยังมองไม่เห็นเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษเราจึงไม่ค่อยกลัวบาปกันเวลาที่เราอยากจะทำอะไรมากๆนี้เราจะปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่เชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้เป็นความจริงเพราะเราอยากได้หรืออยากทำอะไรเช่นอยากได้ข้าวของบางอย่าง ถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะซื้อมาเราก็จะลักขโมยมาถ้าเราอยากจะได้สามีหรือภรรยาของผู้อื่นเราก็จะไปเอาเขามาโดยที่เราไม่คำนึงถึงผลคือความทุกข์ความวุ่นวายใจที่จะตามมาต่อไปและพอเกิดความทุกข์แล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะมาดับมันได้มันก็ต้องดับ เมื่อมันหมดเชื่อหมดหมดไฟไปแล้วเท่านั้นดังนั้นจึงขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีความเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าทำดีได้ดีทำาชั่วได้ชั่วไม่มีใครที่จะมาทำให้เราดีหรือชั่วได้แต่การกระทำของเรานี่แหละที่จะเป็นตัวที่จะทำให้เราดีหรือชั่ว อยู่ตรงนี้เท่านั้นเองการที่เรากราบพระพุทธเจ้ากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วขอสิ่งนั้นสิ่งนี้นี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรขอไปเสียเวลาเปล่าๆ เ, เพราะพวกเราทุกคนขอกันอยู่ทุกวันขอกันทุกคนถ้าขอได้ปั น, นี้พวกเรารวยกันทุกคนแล้วไม่มีใครต้องยากจนไม่ต้องมีใครยากลำบากแต่การขอนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นผลนะ สิ่งที่จะเป็นผลก็คือการกระทําของเราถ้าเราทำตามคำสอนของ พ, พ่อพทธเจ้านี้ต่อให้เราไม่ขอไม่กราบพระก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะการกราบพระที่แท้จริงก็ต้องเป็นการกราบด้วยปฏิบัติบูบชาปฏิบัติบูชาก็แปลว่าการกระทําตามคำสอนของพ่อพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าสอนให้คิดดีพูดดีทำดี เราคิดดีพูดดีทำดีเราไม่ต้องกราบพระก็ได้เพราะเรากำลังกราบพระอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าบอกการที anyway. al ่จะกราบบูชาตถาคตนี้ต้องบูชาด้วยปฏิบัติบูชาส่วนการกราบหรือการถวายดอกไม้ทูบเทียนนี้เรียกว่าอามิสบูชาอามิสบูชานี้ไม่มีผลมากเท่ากับปฏิบัติบูชา ดังนั้นขอให้เราจงขอด้วยการปฏิบัติอย่าขอด้วยการจุดธูปเทียนเพราะว่ามันไม่ได้อย่างที่เราต้องการถ้าเราขอด้วยการปฏิบัติรับรองว่าเราได้อย่างแน่นอนขอให้เราดูพระ อ, อริยสงสาวกดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างท่านไม่ไปขออะไรจากใครตั้งนั้นท่านมีแต่ปฏิบัติอย่างเดียวทำบุญให้ทาน รักษาสิง น, นั่งสมาธิจเจริญปัญญาวิปัสสนาจนในที่สุดท่านก็ได้กลายเป็นพระ อ, อริยสงสาวกงกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ได้อยู่ที่ไขท่ทงนั้นตอนที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติก็ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันใดที่จะทำให้พระพุทธเจ้ากลายเป็นพระพุทธเจ้าได้ มีแต่อัตตาหิอัตโนนาถุของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่ทําให้พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยความภาคเพียรด้วยความขยันด้วยความอดทนนะการทําความดีและการราับบาปนี้ต้องมีความภาคเพียรมากต้องมีความมุมานมากต้องมีความพยายามมากถึงจะทํำได้และยังต้องมี ความอดทนด้วยถ้าเราไม่มีความอดทนแล้วทําไปได้ไม่กี่น้ำเราก็จะท้อแท้แล้วก็จะหยุดทําไปแต่ถ้าเรามีความภาคเพียรมีความอดทนรับรองได้ว่าสิ่งต่างๆที่เราปรารถนากันไม่ว่าจะเป็นความสุขทางโลกคือลาบยศสารเสริญสุขหรือความสุขของจิตใจ นั้นจะต้องเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนดังสุภาษิต ท, ที่พูดไว้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นดังนั้นพรปีใหม่ของพวกเราจึงต้องอยู่ตรงนี้อยู่ที่อัตตาหิตอัตโนนาโถอยู่ที่การทำความดีละบากด้วยความขยันหมั่นเพียรและด้วยความอดทนถ้าเรา รับพรอั้นนี้ไปและปฏิบัติได้รับรองได้ว่าชีวิตของเราในปีนี้จะต้องดีกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการมารับพรของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจรารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุข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 โดยทั่วหน้าการเธอ